ยานมิตรนะครับก็จะทำให้ได้รับคุณธรรมทั้งหลายคือหนึ่งนะครับเป็นผู้มีจตุปริสุทธิ์ศีลดีอย่างหนึ่ ง, งก็คือจะได้กระทาวัตถุ1ส3ามจะเป็นผู้ปรารบความเพียรสี่ก็จะเป็นผู้มีปัญญาเห็นเกิดดับนะครับเห็นความเกิดและความดับนะครับเพราะฉะนั้น อนิมิตหมายของการมีกาลยานามิตรนะครับคุณธรรมสข้อลหลังเนี่ยจะตามมาเพราะนักขัตถะท่านจึงกล่าวว่าเพึงทราบนิมิตคือการหลุดพ้นจากวัฏทุกทั้งสิ้นว่ากาลยานามิตรตาอย่างนี้ด้วยประการนี้นะครับพ้นจากวัฏทุกทั้งหลายก็อาศัยกาลยานามิตรด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคาเมียที่ว่าดูก่อนอนอนน สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาติชาราเพราะอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรนะครับเพราะฉะนั้นท่านนนท่านคิดเองนะว่าเออกัลยาณมิตรนี่เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจารย์เลยนะพระเจ้าค่ะคือท่านคิดได้แบบนี้ก็เลยเป็นเล่าให้พระผู้มีพระภาคฟังพระ อ, องค์ก็ห้ามสามครั้งว่าอย่าได้กล่าวอย่างนั้นนะครับและพระองค์ก็ตรัสว่าเออกัลยาณมิตรนั้นเป็นทั้งหมดของพรหมจาร์นะครับ เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นต้นเนี่ยนะครับอาศัยพระผู้มีพระภาคผู้เป็นกัลยาณมิตรก็ทําให้พ้นจากชาติคือเป็นต้นนั่นแหละครับอันในยุคนี้เราเอากัลยาณมิตรเนี่ยนะครับในลักษณะถึงตรายสรารณคมนะครับแล้วก็นี่แหละพระรัตนตรายนี่นะครับเป็นกัลยาณมิตรที่ที่สูงสุดที่เราต้องเคารพย้ําเกรงเอาไว้นะครับอัน ธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเราทั้งหลายถ้าหากว่าเรามีความทรงจําคําสอนได้ก็เท่ากับมีกัลยาณมิตรติดตามไ ป, ไปเยอะนะครับซึ่งถ้าหากว่าเอาเป็นบุคคลก็ปลอดภัยยากนะครับบุคคนที่คิดว่าดีก็ไม่รู้ว่าดีได้ยาวขนาดไหนอ า, อาจจะดีจริงแต่ว่าความยืดยาวของความดีหรอครับนะรบหรือว่าอาจจะไม่ดีจริงก็แบ่งเป็นสองลักษณะคือดีไม่จริงอย่างหนึ่ง ถ้าดีไม่จริงไม่ย่างหนึ่งก็ผิดหวังในตอนหลังนะครับพอทราบข่าวเอาไม่ได้ดีจริงๆเนี่ยอย่างที่สองก็ดีไม่ทนนะครับดีไม่ทนหรือว่าดีแตกระหว่างทางเป็นต้นนี้ก็สร้างความเสียหายให้ในภายหลังแต่ถ้าหาว่าพระรัตนตรัยจริงๆจะไม่มีเป็นอย่างที่ว่าเลยนะครับพระผู้มีพระภาคพระธรรมคําสอนของพระองค์แล้วก็พระอริยาสาวกทั้งหลายจากไม่เป็นอย่างนั้นเลย เพราะฉะนั้นการเจริญพุทธานุสติทำมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเป็นต้นมากๆนะครับคนที่เราสําคัญว่ามิตรทั้งหลายเนี่ยถึงเขาเปลี่ยนไปเราก็ยังอยู่ในพรตันตนาสตายได้ไม่ใช่ว่าโหไปคาดหวังไว้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสร็จแล้วเขาเปลี่ยนแปลงนะครับเขาไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรือว่าเขาอาจจะดีไม่ทนเป็นต้นเนี่ยนะตัวเองก็เลยเสื่อมจากพราตนาสตายเลยก็ไม่ควรที่จะเอาชีวิตของเราไปฝากฝังไว้กับ บุคคลใดบุคคลหนึ่งในลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมีศรัทธาในลักษณะศึกษาแล้วก็เพื่อความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีความมั่นคงในพระธรรมตรายมากกว่าโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนเรียกว่าจากอาจารย์หนึ่งสู่อาจารย์หนึ่งเนี่ยนะครับมาหลายครั้งมากโดยเฉพาะอาจารย์แรกๆเลยเนี่ยนะครับเราค่อนข้างผิดหวังสูงมากนะครับนึกว่าเราท่านตอนแรกเรานึกว่าท่านดีจริงนะครับว่าโห เราก็อาจแทบจะใส่ตำแหน่งอริยะให้หนุ่นแหละ เ, เนื่องจากไอ้ความไม่รู้ของเรานะครับดูว่าท่านมากน้อยสันโดษหลือกเกินเนี่ยเราก็เชียร์ท่านชาัชมท่านมากกันนะและจริงๆแล้วตอนหลังก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไปไม่ดีนักนะครับถ้าหากว่าผมไม่ฝักใฝ่ในการศึกษาตามพระไตรปิฎกในระหว่างนั้นผมคงผิดหวังมาก แต่ว่าระหวังที่ไปอยู่นี่นะครับผมดูว่าดีไม่จริงผมก็ค้นคว้าใหญ่เลยนะครับอาศัยเวลาที่มีอยู่ตอนนั้นก็เริ่มอ่านเริ่มฝึกฝนในการเรียนรู้ใหญ่เสร็จแล้วตอนหลังผมก็สแสวงหาที่ไหนมีการเรียนการฟังตามพระไตรปิฎกนะครับผมก็สอะแสวงหาไปเรื่อยนะครับเพรา ะ, ะนั้นผมก็เลยเชื่อว่าโอ้พระไตรปิฎกเนี่ยนะช่วยให้เรารักษาศรัทธาและกับปัญหาหลายๆเรื่องเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเป็นไปที่ไหนผมก็อยากจะให้ คนอื่นเนี่ยนะครับสามารถอ่านพระไตรปิฎกได้เรียนพระไตรปิฎกได้แล้วก็เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติมีจิตใจมั่นคงในคุณของพระรัตนตรยัยแม้กระทั่งถ้าหากว่าเข้าใจคุณของพระรัตนตรยัยเวลาจะให้ทานก็ปารบในการสาได้ก่อนจะให้ก็มีญาณสามพยุติกาลังให้ก็รักษาใจให้เสร็จแล้วก็รักษากุศลเจตนาเหล่านั้นไว้ได้นะครับบุญก็จะเจริญด้วยอาการอย่างนั้นนะครับ นี่ตอนที่ผมค้นขวายในการแสวงหาคุบายอาจารย์นะ น, นะก็มากมายหลายองค์คล้ายอาจารย์นะแต่ว่าก็ไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์มโนบนะครับเอ่ยชื่อนะท่านก็พูดคำหนึ่งทําให้ผมประทับใจมาทุกวันนี้นครับก็ว่าสําหรับบคุคคลคุบายอาจารย์ต่างๆนะ เ, เราจะไปเชื่อใจอะไรมากมายไม่ได้หรอก ถ้าอยากจะได้กัลยาณมิตรนะ่ะก็ให้ถือพระไตรปิฎกเถอะเป็นกัลยาณมิตรนะครับซึ่งคำคำนี้ผมประทับใจแล้วก็ผมจดจำมาตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าไปาไปเจอคำที่ท่านาพูดอย่างนี้ทำให้ผมเห็นคุณค่านะแล้วก็ว่าสิ่งอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับ พระตายเปิดอกกันนะครับคําคุบยจารเนี่บางครั้งเนี่ยทำให้เราเตลดเิดเปิดเปิงออกนองรูนอกทางรไปซ้าไปครั บ, รบของผมเองเนะตอนที่ผมเริ่มหันมาอ่านหนังสือพระธรรมใหม่ๆเลยนะตั้งแต่ไม่บวชนะครับพอดีผมเป็นเด็กของบ้านโยมคนหนึ่งนะครับเป็นเด็กเนี่ยตัดหญ้าทั้งหลายแหลเนี่ยนะล้างรถตัดหญ้าเนี่ยชื่อชื่อคุณสุรียนะอ่าก็อยู่ด้วยแล้วก็ผมก็เริ่มอ่านหนังสือธรรมะนะครับ แล้วก็ผมก็รู้ว่าแกชอบศึกษาธรรมะอยู่แล้วนะตอนนั้นผมก็จะชอบมีอะไรผมก็จะไปถามทีนี้ในระหว่างที่ไปถามแกก็จะเอาพระไตรปิฎกเป็นต้นเนี่ยนะมาอ่านให้ฟังบ้างนั่นะนะแล้วก็แนะนําว่าคําสอนตามเนี่ยในยุคนี้ก็พระไตรปิฎกสิอะไรเงี้ยนะแลนะแกก็ซื้อพระไตรปิฎกไว้ที่บ้านชุดหนึ่งแล้วแกก็เคยอ่านเคยอะไรนะั่นะนะแกก็เอาพระไตรปิฎกเนี่ยมาแนะนําเราในตอนนั้นนะ่นนะ จากนั้นมาก็ทําให้เรามีศรัท ธ, ธาคิดว่าเออเราน่าจะได้อ่านเป็นต้นเลนะก็เพราะนั้นไปที่ไหนในไอคำที่แนะนําในเรื่องพระไตรปิฎกตั้งกันนั้นมาก็ติดหูมาตลอดนะครับเนี่ยนะเพราะฉนั้นก็ขึ้นต้นก็นะว่าถูกต้องแต่ก็ระหว่างนั้นก็ยังไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกอะไรก็ระเห็ดระเหย่เร่อนพอผมบวชเป็นเนรผมก็สแสวงหาว้าจะทําทยังไงจัดซื้อพระไตรปิฎกให้ได้ให้ได้อ่านเนี่ยนะครับเพราะว่าได้รับอิทธิพลัต่ยังไม่บวชว่าต้องพระไตรปิฎกเนี่ยนะ พอบวชมาแล้วก็อาจารย์บางท่านก็ส่งเสรมิมเรื่องพระไตรปิฎกก็คิดเอ๊ยยังไงจะได้มีพระไตรปิฎกหาทุนร่วมกันจัดซื้อบอกบุญเช่าบ้านร่วมกันจัดซื้อพระไตรปิฎกนะครับนะผมก็ตั้งความปรารถนานะโดยบุญเหล่านี้ขอให้ผมได้มีเวลาอ่านพระไตรปิฎกว่กางั้นะนะก็ตั้งความปรารถนาแบบนั้นเนละตอนแรกๆเลยนะ นั้นเราอยากจบับบรรยายตามพระไตรปิฎกบ้างอ่ะนะอ่านประวัติของพระเทระบางรูปโอ้ท่านสงพระไตรปิฎกเอ๊ะทาไงเราจะได้เอาอย่างนั้นบ้างอ่ะนะก็ตั้งความปรารถนนะเาเมื่อก่อนผมซื้อสอธรรมพักดีเป็นทต้ น, น, นแต่ตอนหลังก็เริ่มเปลี่ยนมาเรื่อยๆนี่ก็ได้มาเริ่มอ่านตอนหลังมาก็ได้ทําหน้าที่อ่านพระไตรปิฎกเต็มที่เลยนะครับมีเวลาอยู่กับพระไตรปิฎกซะส่วนใหญ่คือสมความปรารถนา ไม่สมได้ยังไงครับเพรา ะ, สะแสวงหาครับ<ม>เพราะผมสะแสวงหาไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งเลยนะครับคือไม่ใช่ <laughs> ผมจะทำกิจกรรมทุกอย่างของผมให้เป็นไปตามแนวพระไตรปิฎกหมดเลยแม้แต่สมัยก่อนเนี่ยนะครับรับงานบรรยายทำแต่ละแห่งเนี่ยนะผมก็จะตั้งหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งก่อนแล้วผมจะคน้คนค้นแล้วผมจะพูดตามที่คนนะ้นนะั่นแหละนะเพราะฉะนั้นถึงร่วมกิจกรรมที่เรียกว่าธรรมะสนทนาอะไรก็ตาม ผมก็ต้องเตรียมเรื่องพระไตวปิกไปก่อนนะครับกิจกรรมทั้งหลายแหละที่ผมทำก็เลยไม่เสียเวลาอ่านนะครับขณะเดียวกันผมก็ต้องอ่านมากขึ้นเพราะต้องไปทำกิจกรรมนั้นๆนะครับหลังจากนั้นผมก็ทำกิจกรรมอย่างนี้มาเรื่อยนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำต่อไปนะครับเพราะว่ายังไม่พบว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้สาหรับส่วนตัวนะแต่ก็มีหลายท่านแนะนาข้อปฏิบัติอื่นๆนะครับแต่ผมไม่เชื่อเลย ที่คือเชื่อไม่หมดนะครับไม่เชื่อว่าเราจะปลอดภัยได้จริงเพราะเราหวังว่าสังสารวัตรที่จะยาวต่อไปเนี่ยนะซึ่งศาสนาของภาษาสดาก็จะหมดไปจากโลกเนื่องจากว่าคนศึกษาไม่ค่อยมีแล้วและชีวิตของเราเองก็อายุอีกไม่นานเท่าไหร่ก็ควรที่จะเรียนรู้เอาไว้นะครับเพราะว่าในระหว่างจากนี้ไปหาพระผู้มีพระภาคองค์หน้านี่นะเราต้องไปเจอคนอีกเท่าไหร่ครับทั้งที่เป็นมิจฉาทิฐิซะส่วนใหญ่เนี่ยนะ เนื่องจากเขาไม่ได้ฟังธรรมเราจะไปหวังอะไรให้เขาเป็นสัมมาทิฏฐินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมิจฉาทิฐิเกิดขึ้นก็จะเป็นมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากามมันตะมิจฉาอัชวะเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเต็มบริบูรณ์ไปหมดเราไปซ่องเสพจากคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่ขวนขวายฟังจิตฟังใจให้เป็นไปกับคําสอนให้มากที่สุดนะครับอย่างน้อยที่สุดอุปนิสัยที่ได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังจากศาสนาของภาษาสดาเนี่ยนะครับ เวลาไปได้ฟังมิจฉาทิฐิก็ไม่ดิ่งจนเกินไปนะครับหรือไม่ดิ่งหรือพร้อมที่จะถอนตัวได้นะครับพร้อมที่จะถอนตัวเปิดทางหนีไว้ตลอดเลยนะครับถ้าสิ่งนั้นพลาดแต่ว่าปัญหาทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยจะบริบูรณ์ได้เมื่อที่เป็นเป็ น, ปนยังมีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะถ้าค้นคว้าได้บริบูรณ์อย่างเพียงพอผมก็ว่าสังสารวัตน่าจะปลอดภยัยเพราะว่าอุปนิสัยที่เรียนรู้พระธรรมไว้ต้องไปช่วยสกัดกั้นเอาไว้นะครับ แต่ถ้าหากว่าไม่เรียนรู้เลยก็คงดิ่งนะครับคงดิ่งไปในรัตที่ใดลัตที่หนึ่งไปเป็นเจ้าลัตที่เข้าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับพระผู้มีพระภาคองค์ใหม่มาก็แก้แก้ให้อะไรให้เราไม่ได้เพราะเราดิ่งเกินไปที่จะแก้ได้อันนี้ก็ต้องทําใจนะครับทําใจที่จะต้องสมาทานเรียนรู้ตั้งแต่ยังพอมีสติสัมปชัญญะสายตาก็ยังดีหูก็ยังดีสุขภาพก็ดีเวลาก็มีนะครับผมเชื่อว่าเวลามีแน่นอนถ้าท่านจัดเวลาเป็นนะครับ แต่ของผมนี่จัดกิจกรรมให้เป็นไปกับตามแนวผมไม่ไม่ขึ้นเงื่อนไขแต่ใครทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นไปที่มันขัดหลักต่อการศึกษาของผมแล้วผมไม่อนุวัตตามเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะอนุวัตตามผู้ที่ส่งเสริมให้ผมได้มีเวลาเกี่ยวกับการเรียนการอ่านการศึกษาเนี่ยเอาตรงนี้เป็นหลักเป็นประมาณนะครับถ้าไม่เป็นไปตามนั้นเราก็ต้องเจริญเนี่ยนะครับอสังสัขขกคกะถานนะพร้อมที่จะไปได้เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่เจริญขึ้นงอกงามในคำํำสอน เราบวชทำไมครับนั้นจุดหมายเดิมที่ตั้งไว้ก็ต้องควรจะชัดเจนไว้ตั้งแต่ต้นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะครับชีวิตนี้ก็ฝากฝังไว้ให้กับใครเราอุทิศชีวิตนี้แก่ใครนะครับแล้วก็จุดมุ่งหมายเหล่านี้ก็ต้องทบทวนบ่อยๆนะครับพิจารณาวิบัติของตนตามการพิจารณาสมบัติของตนตามการว่าเรามีข้อเสียหายอะไรบ้างมีความดีอะไรบ้างควรไหนควรละของไหนควรส่งเสริมเป็นต้น น, นะก็ต้องหมั่นสอบสวนตรวจฐานบ่อยๆนะครับ แต่ว่าเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดนะครับก็พระธรรมคำสอนนี่แหละครับเป็นเครื่องตรวจสอบไปตลอดนะครับอย่าอย่าคิดฝากฝังชีวิตให้กับบุคคลผู้ยังมีกิเลสเลยครับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคุณหาประมาณไม่ได้พระธรรมของพระองค์ก็หาประมาณไม่ได้อริยะสาวกสมัยก่อนแม้แต่พระมหากัรจานะเนี่ยนะครับมีคนไปขอถึงท่านเป็นสารณะท่านไม่ยอมนะ โดยส่วนเดียท่านท่านไม่ยอมท่านให้ถึพ ur, ถงพร right. ha ะผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะซึ่งพระสงฆ์ก็หนึ scandal, ่งในจํานวนนั้นคือท่านด้วยแต่ไม่ใช่ท่านทั้งหมดคือสง์ไม่ใช่แต่ท่านหนึ่งในจํานวนหนึ่งของสง์นะครับเพราะสาวกของพระผู้มีพระภาคมีมหาศาลนะครับมีมากมายจริงๆเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้น้อมมหาตัวท่านเลยท่านน้อมไปหาพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระอริยสาวกอื่นๆด้วยอันในขณะเดียวกันนี่เราก็ต้องลักษณะนั้นนะครับ ต้องไม่ฝากฝังอะไรจนเกินไปแม้กระทั่งที่เรียกว่าครูบาอาจารย์ถึงท่านมีคุณธรรมดีเรารู้ได้ยังไงว่าว่าท่านช่วยเราได้จริงๆผมนึกถึงพระจุลบรรทกนะครับมีพี่ชายเป็นพระทหาร น, นะพระทหารก็ไม่สามารถช่วยท่านได้ในในขณะเดียวกันก็ถึงกับไล่ท่านศึกด้วยซ้ําไปนะครับดีว่าเกิดในยุคพระผู้มีพระภาคผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่สงเคราะห์อนุเคราะห์ให้ให้พระจุลบรรทกได้บรรลุธรรมได้ เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็ยังไม่รู้อัธยาศัยของเรานะถ้าโดยธรรมดาทั่วๆไปเพราะฉะนั้นควรที่จะศึกษาคุณของพระรัตนตรัยให้เข้าใจเพราะฉะนั้นแม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็มีคุณธรรมควรแกของต้อนรับควรแก่ทักษิณาทานแต่ท่านไม่ได้อยู่ในตําแหน่งของาศาสดานะครับท่านในตําแหน่งสาวกเพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาให้เข้าใจในคุณของพระรัตนตรัยให้เต็มที่อันนี้นะครับเป็นทรัพย์ของเราจริงๆทรัพย์คือศรัทธานนี้ เมื่อมีซับคือสัตยา น, นี้นะครับก็จะทําให้รู้ว่าอะไรควรจําอะไรไม่ควรจําอะไรควรทรงไว้ไม่ควรทรงไว้เนี่ยนะรเราก็จะแยกแยะได้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติไปตามนั้นในที่สุดนะครับถ้าประพฤติดีปฏิบัติชอบเราก็ถึงความผู้เป็นสาวกของพระศาสดาด้วยนะครับเราในที่สุดเราก็เป็นผู้ที่มีอาจารศรัทธามีความมั่นคงไม่วันไหวในคุณของพระรัตนตรายนะครับเพราะฉะนั้นศึกษาและเรียนรู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับ แม้แต่ขณะโลกุตระก็ชื่อว่าไตราสารณคมอยู่ดีนะครับก็ยังไม่พ้นจากเรื่องสาระเพราะฉะนั้นศึกษาก็ควรที่จะส่งเสริมสัททินรีเป็นต้นให้มากๆนะครับนะศรัทธาที่มีในพัฒนาโคตเจ้าเนี่ยนะไม่งั้นก็ปายนะครับคาโตไปแล้วนะครับทุกคาโตสิจากสโอเป็นละเอกก็เป็นคติเลยนะครับเป็นไปในคติ5้านี้คติสามามแรกเนี่ยนะครับไม่ดีดีเลย คติที่ดีมีอยู่สองคตินะมนุษย์คติกะเทวคติแต่มนุษย์ในยุคหน้าผมว่าไม่ต่างอะไรจากคติในอบายนักนะครับโดยโดยความเข้าใจของผม น, นะนั้นใครมาเกิดในยุคหน้าขาดทุนชีวิตยักเยินเลยนะครับเ mm hmm. พราะเชื่อไหมว่าเปอร์ เ, เซ็นต์ค่าพ่อค่าแม่ก็สูงทําไมล่ะ mm hmm. พ่อยุคหน้าเนี่ยนะครับอย่างเราไปเกิดในต่างประเทศต่างประเทศไม่ได้นับถือพ่อแม่นะครับ mm hmm. ผมดูอ่าเรื่องอยู่เรื่องหนึง่ง ลูกฆ่าพ่อแม่เนี่ยนะคนเชียร์ด้วยซ้ําไปนะครับภาพยนตร์ในยุคหลังๆมานะครับส่งเสริมแม้กระทั่งว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่นี้จากบ้านก็ยังเรียกว่านับว่าชอบทำนะครับในสายตาของเด็กยุคใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเกิดเราก็ต้องมาอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมแบบนั้นอะไรจะเกิดขึ้นครับจะไม่รู้ดีรู้ชั่วยอย่างเด็ดขาดนะครับผมว่าประเทศไทยนี่ใกล้เข้าไปสู่ยุคนั้นมากๆแล้วนะครับคือก็ ถ้าเสังเกตเห็นว่าผู้ใหญ่ทําตัวให้เด็กไม่น่าให้เด็กเนี่ยเขาไม่เคารพอ่ะอย่างเช่นมันมีข่าวเช่นพ่อกด็ดีพ่อเลี้ยงก็ดีหรืออะไรเงี้ยข่มคืนลูกในใสายของตัวเองเนี่ครับซึ่งยุคหลังๆเนี่ยข่าวนี้ออกมาบ่อยมากเลยนะในวัาเนี่ยมันจะถึงยุคเสื่อมตรงนั้นแล้วครับนั่นสังคมของผู้ไม่มีศีลมีธรรมนะผมว่าปกติด้วยซ้ําไปสังคมในวัดนะครับ ซึ่งมีศาสพระผู้มีพระภาคเป็นสารณะเนี่ยนะเช้าเย็นสวดมนต์กันเนี่ยนะครับขนาดนั้นยังเละเทะเลยผมผมไม่อยากเชื่อเลยว่าอ้ผมจะเป็นาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวัดในเมืองไทยเนี่ยท่านแน่ใจว่าจะเข้าวัดไหนบ้างที่จะปลอดภัยในชีวิตนะครับเหมาะปลอดภัยว่าไม่เป็นปราชิกใหม่เป็นอบัตหนักๆนาสาหัสไม่เป็นอินะบริโภคเนี่ยนะครับหรือจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐินะครับเพราะว่า ไม่เห็นมีละสำนักไหนที่คล้ายๆกันเลยนะครับห่างกันเหมือนกับห่างที่ตั้งวัดมันห่างกันอย่างนั้นนะครับที่ถิของแต่ละวัดก็ห่างกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นจเจริญการุณาให้ตัวเองเยอะๆนะครับแล้วก็ภาคเพียนที่จ ะ, จะเจริญอะไรที่เป็นไปเพื่อศรัทธาศีลเป็นต้นที่จะมั่นคงในคุณของภรัตนะตรายก็สแสวงหาสิ่งนั้นเถครับ ถ้าหากว่าโดยธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะด้วยเครื่องเนิ่นชาของศาสตร์ทั้งหลายคือตัณหามานะทิฐิทุกคนจะมีความมั่นใจในตัวเองนะมั่นใจในตัวเองทำไมนะในตัวเองไอตัวเองที่ว่าเนี่คืออะไรครับตัวทิฐิตัวมานะตัวกิเลสทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับไอตัวของเขาอ่ะนะเขาไม่ได้มีคุณของพระรัตนะตรัยอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบหรอกครับเพราะฉะนั้นพอใครยืนยันอะไรก็จะมั่นอกมั่นใจปักอกปักใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เคยคิดไหมว่าจิตอันนั้นก็ไม่เที่ยงจิตอันนั้นก็เกิดจากปัจจัยจิตอันนั้นก็เป็นสังขารธรรมนะครับผู้ใดยึดมั่นในจิตเหล่านั้นก็เป็นไปเพื่อทุกโทษนะครับเพราะฉะนั้นแม้จิตที่เป็นกุศลยกตัวอย่างว่าเมื่อวานเราสนทนาธรรมเรียนธรรมะหรือวันนี้ก็ตามที่สนธนาธรรมกันเนี่ยนะครับถ้าทําด้วยกุศลจิตกุศลจิตเหล่านี้นเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะครับเดี๋ยวอีกภาคเดียวก็เลิกแล้วเลิกแล้วที่เหลือลก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จักหมดไป พันสิ่งขณะนี้ยึดถือได้ไหมมันเป็นอารมณ์ของอุปาทานเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาศัยฐานเหล่านี้เพื่อเจริญกุศลชั้นสูงต่อไปเท่านั้นแหะครับสิ่งนั้นคือสิ่งที่ควรตั้งจิตเอาไว้โดยชอบธรรมแล้วพระองค์นี้ให้ความสําคัญนะครับในความเป็นความมีกาลยานามิตรนะครับโดยเฉพาะตัวของพระองค์เองเนี่ยนะครับเป็นกาลยานามิตรที่ที่ดีจริงๆถามว่าทำไมพระองค์จึงเป็นกาลยานามิตรจริงๆก็เพราะหนึ่งพระ ตั้งความปรารถนานะนะถ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาเพื่อจะช่วยสงเคราะห์สัตว์ในอย่างหนึ่งแล้วพระองค์ก็บําเพ็ญบารมีจนเต็มเปี่ยมนะครับด้วยความภาเพียรพยายามเอาชีวิตเนื้อเลือดเป็นต้นเนี่ยนะครับเข้าแรกและในที่สุดพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นะครับเป็นพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โดยชอบได้โดยถูกต้องด้วยพระองค์เองนะครับทรงตรัสรู้สัพเพเยธรรมทั้งมวลนะครับ ด้วยจิตที่มีมหากรุณาต่อซาทั้งหลายทําให้พงศ์พระองค์เนี่ยสละแม้กระทั่งความสุขที่พระองค์จะได้รับในส่วนอื่นๆต้องมาเที่ยวสั่งสอนประกาศทําให้เวนยศาสทั้งหลายเนี่ยได้ยินได้ฟังได้รับรู้ขัน พ, พระองค์เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ดีที่สุดแล้วแม้แต่ในรัตนสูตรนะครับที่บอกว่ายังกินจีวิตตังอิทวาหุรังวาสเคสวายังรัตนางพนีตัง เนี่ยนะครับบอกว่ารัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นของมนุษย์หรือเป็นของเทวดาเนี่ยนะครับหรือทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งนะเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะี่นะแม้กระทั่งทรัพย์หรือรัตนะที่อยู่ในสวรรค์ก็ตามในมนุษย์ก็ตามทรัพย์หรือรัตนะที่เสมอโดยพุทธรัตนะไม่มีนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าเราจะตามระ ล, ลึกถึงใครสักคนหนึ่งนะครับไม่มีใครที่จะมีคุณงามความดีเสมอเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอก เรานึกแล้วก็ยังมีข้อที่น่าตําหนิไม่ทางกายก่อทางวาจาไม่ทางวาจาก่อทางใจไม่ทางใจก่อทางกิริยาอาการความรู้สึกนึกคิดสติปัญญาชาติตระกูลเป็นต้นเนี่ยแหละครับก็ต้องมีส่วนในส่วนหนึ่งให้เราอดนึกไม่เลื่อมใสกนได้แต่พระ อ, องค์นี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระ อ, องค์นี้เป็นผู้ที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสรอบด้านถ้าหากว่าผู้ใดเข้าใจคุณของพระ อ, องค์เท่าไหร่ตามระลึกก็จะมีศรัทธา ม, มากขึ้นเท่านั้นยิ่งระลึกก็ยิ่ง ศรัทธาก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะคุณของพระ อ, องค์ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็บุญกุศลที่เกิดจากการตามระลึกนึกถึงคุณของพระ อ, องค์ก็หาประมาณไม่ได้นะครับคนทั้งโลกเนี่ยนะใครดีเท่าพระ อ, องค์ไม่มีแล้วหรือว่าเราคิดดูนะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเกิดมาเนี่ยนะถ้าระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพื่อประโยชน์ใช่ไหมครับเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งถามว่าผู้ใดจะให้ประโยชน์ แก่สัตว์มากเท่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นในฐานะเราเป็นผู้ที่นับถือพระองค์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเนี่ยนะครับพวกเราทั้งหลายเนี่ยในฐานะยุคต่อๆไปเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ผู้แนะนําประชาชนทั่วๆไปเนี่ยนะผมว่าดีแล้วที่ควรแนะนําให้เขามั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยนะครับอย่าไปดึงบุคคลทั้งหลายหรือว่าศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะครับมาหาตัวเลย แล้วก็คิดเปรียบเทียบง่ายๆนะถ้าเขาคิดถึงเรากับคิดถึงพระพุทธเจ้าเขาควรคิดถึงใครนะครับด้วยสายตาที่เป็นธรรมนะในระหว่างเขาคิดถึงเรากับคิดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยบุญเขาแตกต่างกันไหมถ้าเขาคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเขาจะเสื่อมจากพระธรรมนิพพานไหมถ้าเขาคิดถึงเราเนี่ยเขาจะเสื่อมไหมอะไรไหมถ้าเราเป็นเขาเนี่ยนะ ถ้ามีคนอื่นมาแนะนําเราเนี่ยเราต้องการให้คนอื่นเขาแนะนําเราอย่างไรเนี่ยนะก็จะลักษณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น อ, อย่าไปดึงทําลายศรัท ธ, ธาของพุทธบริษัททั้งหลายให้เขาเสื่อมหายเลยเพราะว่าผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ในยุคหลงัลงๆเท่าที่ฟังแล้วก็น้อมาเป็นของตัวเองนะครับหนักๆเข้าของที่พูดออกไปแม้แต่คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังนาะมาเป็นตัวเองเป็นของตัวเองนะครับกลายเป็นธรรมะของผู้นั้นอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ไป ถ้าที่ถูกนี้เป็นของภาษาสดานะครับถ้าผิดนี้เป็นสมบัติเฉพาะตัวของครูอาจารย์นั้นๆอย่างแน่ น, นอนเพราะฉะนั้นอขอให้ฝากกิตฝากใจไว้กับพระรัตนตรยัยนะครับเป็นสระนให้แกเราได้จริงๆแต่ในขณะเดียวกันก็ควรศึกษาคุณคืออรหันตแต่คุณเป็นต้นของพระองค์ให้เข้าใจให้ท่องแท้นะครับเพื่อการผิดพลาดนะครับ พระผู้มีพระภาคนั้นนะครับพระองค์นี้เป็นกาลยานามิตรเป็นอย่างดีที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีกาลยานามิตรนะครับย่อมละอกุศลแล้วก็เจริญกุศลต่อไปได้นะครับข้อความในคาถานะครับคาถาที่พระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุใดผู้มีมิตร ด, ดีมีความยำเกรงมีความเคารพกระทําตามคําของมิตรดีทั้งหลาย มีสติสัมปชัญญะภิกษุนั้นพึงบรรลุธรรมะอันเป็นที่สิ้นปลายแห่งสังโยชน์ทั้งปวงโดยลำดับนะครับก็เลยอัตถกถาอธิบายว่าปดว่าสัพปติโสเชื่อว่าสัพปติโสเพราะเป็นไปกับด้วยความยำเกรงคือรับฟังนะครับคือมิตรที่ที่เรารับฟังได้นะเป็นผู้น้อมรับโอวาทของกาลยานามิตรอธิบายว่าเป็นผู้ว่าง่าย อีกอย่างหนึ่งผู้ให้อว่าเชื่อว่าปฏิสะเพราะปรารถนาให้เกิดประโยชน์สุขชื่อว่าสปัปฏิสสะเพราะเป็นไปกับด้วยความปรารถนานั้นประกอบด้วยความเคารพและความเอื้อเฟื้อคือเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่ให้ประโยชน์เราได้นะครับแต่ประโยชน์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงปัจจยัย4นะแต่หมายถึงปรมาถประโยชน์นะครับนะครับแล้วก็มากด้วยความเคารพยำเกรงในครูอย่างที่ว่าไป บทว่าสคารวได้แก่ประกอบด้วยคารวะธรรมหกอย่างนะครับคือมีความเคารพคารวะในนะพระพุทธเจ้านะครับคารวะธรรมหกอย่างนะคือเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในศิษขาเคารพในอัปปามาทธรรมแล้วก็เคารพในปฏิสันทานนะครับให้ปเป็นไปกับความเคารพทั้งหอย่างนี้บทว่ากระัง มิตรตาณวจนังได้แก่กระทําตามโอวาทคือปฏิบัติตามโอวาทของกัลยาณมิตรนั้นนะบทว่าสัมปชานโนได้แก่ประกอบด้วยสัมปชัญญะเจอย่างสัมปชัญญะเจอย่างได้แก่หนึ่งะครับสัมปชัญญะในการก้าวไปในการถอยกลับในอย่างหนึ่งสัมปชัญญะในการแลกการเหลียวในอย่างหนึ่งสัมปชัญญะในการคู้เข้าเหยียดออกในอย่างหนึ่งสัมปชัญญะในการนุ่งห่มในอย่างหนึ่งสัมปชัญญะในการบริโภค ในการรับประทานอาหารในการกินดื่มเคี้ยวลิ้มในอย่างหนึ่งสัมปชัญญะในการขับถ่ายในอย่างหนึ่งสัมปชัญญะในการยืนเดินนั่งนอนนะครับหลับตื่นพูดนิ่งเป็นต้นนี่ในอย่างหนึ่งอันเจอย่างนะครับสัมปชัญญะ7เหล่านี้ต้องไปคูณด้วยสาธกะสัมปชัญญะสปายะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะและอาศัมโมหะสัมปชัญญะอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้กล่าวถึงอิรเป็นไปในกิริยาอาการต่างๆนั่นเองนะครับ บทว่าปฏิสโตได้แก่มีสติคือรำอย่างมีสติด้วยสติอันสามารถให้เกิดความมั่นคงของกรรมฐานได้คือหมายคือว่าให้เป็นไปกับกรรมฐานตลอดบทว่าอนุปุเพนะนะครับมาจากพุทธ์ที่ว่าภิกษุนั้นพึงบรรลุธรรมะอันเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงโดยลําดับนะอนุปุเพนะแปลว่าโดยลําดับได้แก่โดยลําดับแห่งสีและวิสุธทธิ์เป็นต้น นะคือโดยลำดับแห่งวิปัสสนาและลำดับแห่งมรรคในสีละวิสุธทธิเป็นต้นนั้นคือหมายความว่าเมื่อบรรุธรรมะเป็นที่สิ้นสังโยชน์โดยลำดับก็คือเริ่มตั้งแต่สีละวิสุธทธินะครับสีเป็นต้นเนี่ยนะเริ่มบริสุทธ์แล้วนะจากสังโยชน์บางส่วน จิตตวิสุทธิ์ก็เริ่มพ้นจากสังโยชน์บางส่วนนะแต่โดยต่ตทางข้าประหารกับวิขัมพะนะประหารแล้วก็วิปัสนาทั้งหลายก็โดยตะทางข้าประหารก็เจริญสมถาวิปัสนาควบคู่กันไปจนได้บรรลุอริยมรรคนะครับก็ถึงความสิ้นสังโยชน์โดยลําดับนะครับบทว่าสัพพะสังโยชนักขยังความว่าพึงถึงคือพึงบรรลุพระนิพพานอันเป็นอารมณ์แห่งพระอรหันต์อันเป็นที่สิ้นสุดกล่าวคือ ความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงเพราะสังโยชน์ทั้งหมดมีการมราคะสังโยชน์เป็นต้นสิ้นไปเพราะฉะนั้นในสองสูตรเหล่านี้พึงทราบว่าพระศาสดาทรงถือเอาองค์แห่งความเพียรของการบรรลุอริยมรดุด้วยประการชนนีอ้องค์แห่งความเพียรที่สําคัญก็คือการยาณมิตรใช่ไหมครับการยานามิตรนี่นัว่าสําคัญมาก แต่สมัยนี้ก็พยายามนะครับพระรตนะตรัยนะคุณของพระรตนะตรัยในยุคนี้ต้องถือธรรมมาที่ปไตยเป็นประมาณนะครับเอาธรรมะเป็นใหญ่เป็นประมาณจริงๆนะครับอย่าเอาบุคคลเลยนะครับมันก็จบในทุติยะเสขาสูตรนะครับสรุปในสองสูตรนี่นะครับก็คือเหตุภายในนะครับเพื่อความสิ้นไปแห่งสังโยชน์เหตุภายในที่สําคัญก็คือ โยนิสโสมนัิการเหตุภายนอกได้แก่<ฤ>การยานามิตรผู้ประกอบด้วยองคุณ8ประการนะครับจำนะข้อแรกศรัทธาสองศีลสามสุตะสีจารค่ะแล้วก็วิรยิยะสติสมาธิและปัญญานะครับจําง่ายๆก็คือจําอย่างนี้ก่อนนะครับศีล ส, สุตะจาระค่ะสามคำก่อนนะคุณคนะุนะศีลสุตะจารคะแล้วก็สัตทินรีวิริยินรีสตินรีสมาธินสีและ ปัญญียีก็จะเป็น8อย่างนะครับก็ครบแปดพอดีอนะครับก็มีคุณธรรมทั้งหลายนะผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะแล้วผู้ที่มีคุณธรรมเหล่านี้ช่วยสง่งเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นให้มีคุณธรรมแบบเนี้ยลักษณะนี้แหละเรียกว่ากัลยาณมิตรนะครับลักษณะของกัลยาณมิตรจากสูตรนี้นะครับทำให้เห็นองค์ของผู้เป็นกัลยาณมิตรนะครับเราก็เอาองค์เหล่านี้นะครับเป็นเครื่องเปรียบเทียบ อย่าเอาปิยมิตรมาปนกับกาลยานมิตรนะครับปิยมิตรนี่แปลว่ามิตรเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจนะส่วนกรราลยานมิตรคือผู้ที่มีคุณธรรมแบบนี้นะครับบางทีเราอาจจะไม่ชอบท่านนะคุณที่มีคุณสมบัติเป็นกรราลยานมิตรเพราะท่านเป็นคอยว่าคอยตักคอยเตือนเนี่ยโดยมากนะคนไม่ดีไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นเอาความชอบใจเป็นประมาณไม่ได้นะครับบางทีคนที่เราชอบใจอาจจะไม่ได้เป็นกรราลยานมิตร เช่นนะโอ้เจอกันแล้วเพ้อเจอได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้อาจจะเป็นปิยมิตรไปแต่ไม่ใช่กาลยานามิตรแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นกาลยานามิตรจะไม่ทําลายประโยชน์แน่นอนนะครับคือกาลยานามิตรทั้งหลายเนี่ยจะไม่ให้เสื่อมประโยชน์จากพระรัตนตรยัยจะไม่ให้เสื่อมประโยชน์จากศีลสิกศิขาไม่ให้เสื่อมประโยชน์จากจิตตะศิขาไม่ให้เสื่อมประโยชน์จากปัญญาศิกขาผู้ที่มีคุณธรรมที่เกือ้อกูลเราต่อศิกขาทั้ง3ามเนี่ยนะครับ หรือเกื้อกูลให้เราทราบซึ้งคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยนะครับมากๆขนาดไหนนั่นแหละลักษณะของกัลยาณมิตรนะครับไม่อย่าเอาปิยมิตรมาปะปนนะครับเดี๋ยวบางคนเนี่ยนะครับหวังดีต่อเราแบบปิยมิตรแบบตันหาแบบกิเลสเนี่ยนะเสร็จแล้วเรานึกว่าเขาเป็นกัลยาณมิตรจริงๆเสร็จแล้วเขาประพฤติ ช, ชั่วเราก็ต้องโอนตามอ่อนตามไปหนักๆเข้าเราก็เสื่อมจากพระรัตนตรัยยัยงไงยังไงก็จากเขาไม่ได้อ้างว่าเขา มีคุณต่อตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมฟังมาหลายท่านนะครับถึงรู้ว่าปิยมิตรเนี่ยนะทำตัวผิดพลาดก็จากเขาไม่ได้ที่จากเขาไม่ได้เพราะอะไรครับเขามีบุญคุณก่อน